ให้ทานเนีนะอีกคกำหนึ่งนะการกล่าวยิ่งคือการด่าชื่อว่าอับพักขานนะแสดงว่าพระพุทธเจ้านะสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตนี้ปากก็ไม่บอเหมือนกันได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในกําเนิดที่ไม่ปรากฏชื่อเสียงเป็นนักเลงชื่อว่ามุนาลิน่ก็ น, นักเลงหน้าดูเัมนกันนะ เพราะกำลังแรงที่คลุกคลีกับคนชั่วจึงได้ด่าพระประเจกับพุทธเจ้านามว่าสุรพิว่าภิกษุนี้ทุศีลมีธรรมะอันลามุกองค์นี้ไม่มีศีลหรอกว่างั้นคล้ายๆองนี้ไม่มีศีลหรอกเป็นพระมีเมียคล้ายๆงีน้นะเพราะว่าจีกรรมอันเป็นอากุศลนั้นพระโพธิสัตว์นั้นไม่อยู่ในนรกหลายพันปีพูดไม่กี่คำะนะแต่ก็ใช้ใช้ด้วยชีวิตเป็นพันๆปีเหมือนกันนะ ในอัตภาพครั้งสุดท้ายนี้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกำลังแห่งความสำเร็จบา ร, รมีสิบเป็นผู้ถึงลาบเป็นผู้ถึงลาบอันเลิศและยศอนะันเลิศที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ด้วยกุศลนะด้วยบา ร, รมีสิบที่พระองค์สั่งสมมาก็ทำให้พระองค์สำเร็จถึงความเป็นพระอารหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พวกเดรัจฉกก็กลับเกิดความอุตสาหะขึ้นอีกว่า ก็เลยพากันคบคิดกันว่าพวกเราเนี่ยจักยังโทษมิใช่ยศให้เกิดแก่พระสมณะโคโดมได้อย่างไรเนก็นั่งเป็นทุกข์เสียใจอีกอะนะรวมตัวกันปรึกษาหาจะหาเรื่องอ่ะนะวางแผนจะทำหลายพระพุทธเจ้าเอ๊จะทำกันยังไงอยู่เนาะทีนี้ครั้งนั้นปริภาชิกาผู้หนึ่งชื่อว่านางสุนทรีก็เข้าไปหาเดียรถีเหล่านั้นไหวแล้วยืนอยู่เห็นเดรถีทั้งหลายพากันนิ่งไม่พูดอะไรน ะ, ะนางปริภาชิกาเข้าไปถึงก็ไปไหว้นะ ไหวแล้วก็พวกนักบวชเขาก็ไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งก็เลยถามว่าดิฉันมีโทษอะไรหรือพวกเดรธีก็กล่าวว่าพวกเราถูกพระสมณะโคโดมเบียดเบียนอยู่แต่ท่านกลับมีความขวนขวายน้อยข้อนี้เป็นโทษของท่านือโทษเพราะท่านเฉยอะ่ะพวกเรากําลังมีปัญหามีเรื่องมีเราไม่สนใจเลยอะ่ะนางสุนทรีก็กล่าวว่าเออเมื่อเป็นอย่างนั้นดิฉันจะทําอย่างไรในข้อนั้นเดรธีทั้งหลายก็กล่าวว่าท่านจากอาจหรือ ที่จะทําโทษไมิใช่คุณให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมหาเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาเสื่อมเสียได้ไหมนางสุนทรีก็กล่าวว่าอาซิพระผู้เป็นเจ้าครั้งนั้นก็กล่าวอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาก็กล่าวแก่คนพวกที่ได้พบเห็นว่าตนเนี่ยไปนอนที่พระคันตกุฏีเดียวกันกับพระสมณะโคดมแล้วก็ออกมานี่แหละนะก็คือนางเนี่ยก็ป่วนเปียนไปวัดเลยตกตอนเย็นคนกลับนางก็เข้าวัดเสร็จแล้วก็แอบออกทางอื่น ตอนคนเข้าวัดนางก็ออกมาจากวัดพอดีก็ทําอยู่อย่างนี้หลายวันทีนี้พอทําอยู่อย่างนี้หลายวันเข้านานๆเข้าที่จริงแผนอันนี้เนี่ยเดยรธีเขาเป็นคนวางแผนให้พอเสร็จไปอย่างนั้นหลายวันเข้าเดรธีเนี่ยสั่งคนให้ฆ่าตอนนี้พระไปไปบิณฑบาตกันหมดก็สั่งฆ่านางสุนทรีทิ้งแล้วไปหมกไว้ในกองกองดอกไม้คือดอกไม้ที่เขาไปบูชาพระผู้มีพระภาค ที่มันเหี่ยวก็ไปกองสมุนสมุนก็ฆ่านางสนธีเนี่ยไปหมกไว้ทีนี้หมกไว้ก็ก่อเรื่องขึ้นว่านางสนทรีเนี่ยหายไปทีนี้ทํายังไงอ่ะหายไปก็ไปแจ้งเรื่องกับพระราชาว่านางสนทรีเนี่ยหายไปก็เลยพระราชาก็ใช้ให้คนเนี่ยประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่เห็นทีนี้ก็บอกว่าสงสัยไปหาอยู่แถววัดอ่ะไปดูสิก็ไปค้นดูในวัดก็หาไม่เจอเดียร์ีก็บอกเดี๋ยวพวกเราไปค้นกันเองไปก็ ไปดืงองเอาศพเนี่ยออกมาจากกองดอกไม้เสร็จแล้วก็ไปกล่าวใส่ร้ายเลยว่าด่าใหญ่เลยนะว่าสมณะโคโดมเนี่ยสมสู่แล้วยังไม่พอใช่ไหมยังฆ่าทิ้งอีกงหนกันใจดำอมมหิตหน้าดูเลยนีนย้ข่าววันนี้ก็ด่าพระพุทธเจ้าด่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยยันยกใหญ่เลย เพราะฉะนั้นโดยนัยดังกล่าวมาแล้วก็ด่าบริพาทอยู่พวกฝ่ายเดียร์ธีก็ด่าบริพาทอยู่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเห็นกรรมของพระสมนะโคดมสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าในชาติอื่นๆในครั้งก่อนเราเป็นนักเลงชื่อว่ามูนาลิได้กล่าวตูพระสุรภิปัจเจ ก, กพุทธเจ้าผู้ไม่ประทุสร้ายเพราะวิบากของกรรมนั้นเราจึงท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกลาลนานสเสวยทุกขเวทนาร้ายพันปี มุสาวาทนะั่นเนาะด้วยเศษกรรมที่เหลือนั้นในภพสุดท้ายเราจึงได้รับการกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุนทรีเรื่องราวใหญ่โตพอมาถึงเรื่องเขาสมัยเราปั๊บก็ดูเล็กน้อยนะแต่ว่าในสมัยนั้นจริงจเนี่ยเรื่องเนี่ยใหญ่มาก <c oughs> และอีกเรื่องที่สี่ก็คือการด่าการบริภาทโดยยิ่งคือโดยพิเศษชื่อว่าอภกขานะนะพระองค์ก็ถูกด่าอีกเรื่องอื่นอีกยังมีประเภทที่ถูกด่ามีอีก ว่าในได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพรามเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากคนเป็นอันมากสักการะบูชาได้บวชเป็นดาบทมีรากเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารสอนมนแต่พวกมานบจํานวนมากสำเร็จการอยู่ในป่าหิ ม, มพานตนะ์ขนาดไปบวชเป็นฤาษีใช่ไหมเป็นฤาษีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเต็มไปหมด ทีนี้วันหนึ่งก็มีดาบวรูปหนึ่งได้พิญญาห้าสมาบัติแปดมายังสำนักของพระโพธิสัตว์นะคนได้ชาดได้ฤทธิ์เนี่ยมันก็น่าเลื่อมใสน่าเกรงขามมากเหมือนกันพระโพธิสัตว์พอเห็นพระดาบรนั้นเท่านั้นก็ถูกความด้วยสยามครอบงำไม่มยังลูกศิษย์เราหรือเปล่าเนี่ยได้ด่าว่าพระฤาษีผู้ไม่ประทุสร้ายนั้นว่าฤาษีนี่หลอกลวงเหมือนกันบริโภคกามแล้วก็บอกไปพวกลูกศิษย์ของตนว่า ฤศีนี้เป็นผู้ไม่มีอาจาระเห็นป่านี้ฝ่ายศิษย์เหล่านั้นก็พากันด่าบริาพาธอย่างนั้นเหมือนกันนะเป็นหัวหน้าพาลูกศิษย์ห้าร้อยคนเนี่ยด่าฤศีเนี่ยไม่มีศิล น, นะบริโภคตามเหมือนกันด้วยวิบากแห่งอกุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจึงได้เสวยทุกข์ในนรกอยู่พันปีในอัตภาพหลังสุดท้ายได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบและยศปรากฏประดุจพระจันทรเพนในอากาศฉะนั้น ที่จริงก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะกุศลกรรมที่ดีๆก็ให้ผลอย่างเต็มที่แม้ด้วยการด่าว่าอย่างนั้นพวกเดรัจฉีก็ยังไม่พอใจนะจึงทำให้นางสนทรีทำการด่าอีกก็เรียกพวกนักเลงสุรามมาให้ค่าจ้างแล้วสั่งว่าพวกท่านจงฆ่านางสนทรีแล้วปิดด้วยขยะดอกไม้ที่ใกล้ประตูพระเชตวันนะที่จริงก็ถูกด่าก่อนหน้านั้นมาครั้งหนึ่งละ พวกนักเลงสุราก็ได้กระทําอย่างนั้นตั้งแต่นั้นพวกเดรธีจึงกราบทูลแก่พระราชาว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่พบเห็นนางสุนทรีพระราชารับสั่งว่าพวกท่านจงค้นดูเดรธีเหล่านั้นจึงออกมาจากที่ที่ตนได้โยนแล้วก็ยกขึ้นสู่เตียงน้อยแสดงแก่พระราชาแล้วเที่ยวโฆษณาโทษของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพิกสุสงในพระนครทั้งสิ้นว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายจงเห็นการกระทําของพระสมณะโคดมและของพวกสาวก แล้วก็วางนางสุนทรีไว้บนแคร่ไปในป่าช้าพีดิบพระราชารับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงค้นหาคนฆ่านางสุนทรีครั้งนั้นพวกนักเลงสุรานะพอดื่มเหล้าเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันว่าเจ้าฆ่านางสุนทรีเจ้าฆ่านะ <c oughs> ก็คือทุบกันว่าเอ็งอะไรเป็นคนฆ่าเล่าเข้าคอเข้านักเลงก็เผยความในใจออกมาหมด ราชาบรุษทั้งหลายก็จับพวกนักเลงเหล่านั้นแสดงแก่พระราชาพระราชาตรัสถามว่าแน่พนายพวกเจ้าข่านางสุนทรีหรือนักเลงเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข่าข่าแต่สมมุติเทพพระราชาสั่งถามว่าพวกใครสั่งนักเลงทูลว่าพวกเดรถีสั่งพระพุทธเจ้าฆ่าพระราชาจึงให้นำพวกเดรถีมาแล้วให้จองจาพันธนาการและรับสั่งว่าพนาย พวกเจ้าจงไปเปล่าร้องว่าเราทั้งหลายได้ฆ่านางสนธีเองและนะให้แก้ข่าวนะจับมัดให้ไปแก้ข่าวโดยความจะให้เป็นโทษแก่พระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกทั้งหลายพระองค์ไม่ได้พูดไม่ได้เป็นผู้กระทาพวกเดรัจฉีก็ได้กระทาอย่างนั้นแล้วชาวพนครทั้งสิน้นต่างเป็นผู้หมดสงสัยพระราชาทรงให้ฆ่าพวกเดรัจฉีและพวกนักเลงเหล่านั้นให้ทิ้งไป พวกนักเลงที่กล่าวร้ายเนี่ยก็ถูกฆ่าหมดตั้งแต่นั้นมาลากสการะก็พอกพูนแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยยิ่งกว่าประมาณด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราเป็นพราหมณ์เรียนจบแล้วเป็นผู้อันมหาชนสการะบูชาได้สอนมนกะมนบห้ารคนในป่าพระฤศีผู้กล้าสำเร็จอภิญญาห้ามิริษ ม, มาในที่นี้นั้นและเราได้เห็นพระฤศีนั้นมาแล้ว ได้กล่าวตูว่าท่านาได้กล่าวตูท่านผู้ไม่ประทุษร้ายแต่นั้นเราได้บอกกษิต ท, ทั้งหลายว่าผู้นี้เป็นผู้บริโภคกรรมแม้เมื่อเราบอกอยู่มานพทั้งหลายก็พลอยยินดีตามแต่นั้นมานพทุกคนเที่ยวพิกขาในทุกๆตระกูลก็บอกกล่าวแก่มหาชนว่าฤาษีนี้บริโภคกรมเห็นเขามีฤทธิ์มีเดชมากอาริสยาณ์นะนะฮะเรื่องใส่ร้ายเขา เพราะวิบากของกรรมนั้นที่สู่ห้าร้อยรูปนี้จึงได้รับการกล่าวตู่ด้วยกันทั้งหมดเพราะเหตุแห่งนางสุนทรี น, น, นะนะียกว่าเรื่องนี้ไปจนถึงลูกศิษย์ด้วยนะอั น, น, นการใช้วาจาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะศึกษาให้ดีกันแล้วกันบุญบาปก็อยู่แถวนั้นนหละผมไปไหนผมไม่กลา้าสรรเสริญท่านเลยอ่ะ ผมกลัวคนอื่นตกนรกอ่ะเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงนะฮะเพราะว่าความความที่เขาเมตตาเราเนี่ยนะความหวังดีกับเราจริงๆอ่ะท่านกล่าวเนี่ยบางท่านกล่าวด้วยความเมตตาเราสงสารเราแต่ว่าเป็นโทษก็เข้าเหลือเกิอนอ่ะพระองค์นี้สอนธรรมปฏิรูปเช่นคํานี้เป็นต้น เนะีผมผมเสดุ้งเลยนะผมสะดุ้งเลยเพราะองค์ น, นี้เอาพระตาปิดถกมามาอ้างไม่รู้เรื่องเล ย, เลยฟังไม่รู้เรื่องถ้านลองคิดดูดิว่าผู้กล่าวนี่นะผมนี่เสียวเลยเสียวแทนเลยอะ่ะนะว่าเขาจะได้รับโทษยังไงเนะี่ยผมเสียวลวผมนิ่งเลยอะ่ะไม่ได้ก็ไม่กล้าต่อความยาวสาวความยืดไม่กล้าอธิบายเลยทั้งสิ้นเลยอ เจตนามีผลเนี่ยนะของมามาด้วยกรรมของตัวเองคนอื่นเขามาด้วยบุญของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้ น, เ, นเรามันญัตนะว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องระวังการที่จะไปวิพากวิจารณ์พระองค์ไหนพระองค์ไหนที่เราไม่รู้เรื่องมาเลยเนี่ยหมาเราวิจารง่ายง่ายเนี่ยนะโทษของโทษภัยจากปากเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยนะเพระองค์จึงสอนว่าการสำรวมวาจาเนี่ยเป็นความดีว่าไง สัมรวมวาจานี้สัมรวมด้วยอะไรบ้างสัมรวมวาจาสัมรวมด้วยหนึ่งศีลสังวรนะสัมรวมที่ศีลนะแค่หูปากแค่เฉยมันไม่ได้แปลว่าสัมรวมแล้วนะนะสัมรวมก็คือด้วยหนึ่งนะด้วยศีลสังวรสัมรวมด้วยสติสังวรสัมรวมด้วยญาณสังวรสัมรวมด้วยขันติสังวรสัมรวมด้วยวิริยะสังวร ใช่ไหมไม่มีอะไรพูดก็ท่องพระสูตรเถอะท่องยากหน่อยก็พูดท่องพระสูตรไปนั่นแหละเครเรียกว่าวิริยะสังวรนั่นแหละนะถ้าหากว่าสังวรได้ดีแล้วก็ผลบุญก็มาตามปากเราอีกนั่นแหละอันบุญบาปจริงๆนะอยู่ใกล้ามากจริงๆเลยก็อยู่ตรงเจตนาของเรานั่นแหละเจตนาเหล่านั้นทำมาให้เป็นวิกายวิญญาตวจีวิญญัตออกมานะเจตนาตัวนี้ถ้าหากว่า ผู้ใดที่สำรวมระวังศึกษาเรื่องเจตนาให้ดีแล้วเราจะรู้จักเรื่องของกรรมมากขึ้นเพราะว่าต้นเหตุจริงๆก็คือตรงเจตนาของเราที่เป็นไปแต่ละวันแต่ละวันนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งนะว่าศีลาเวโทได้แก่ผู้มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งกลิ่งศีลาทัพระพุทธเจ้านี้พระเทวทัตเนี่ยนะอดีตที่เคยอะ่ะโกรธมากกลิ่นหินทัพเลยอะ่ะมีเรื่องอย่ว่า ในอดีตชาติในอดีตการพระโพธิสัตว์และน้องชายเป็นลูกพ่อเดียวกันเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วพี่น้องทั้งสองนั้นก็ทําการทะเลาะกันเพราะอาศัยพวกทาตก็คือทาตุนี่มันแย่ใช่ไหมาธาตฝ่ายนี้เรียกว่าเป็นลูกเศรษฐีทั้งคู่เป็นลูกเศรษฐีทีนี้ก็มีลูกน้องเยอะลูกน้องก็แย่กัน่ะทีนี้เรื่องมันก็เลยลุกลามใหญ่โตมาจนถึงพี่กับ น, น้อง พี่น้องก็เลยทะเลาะกันจริงลูกพ่อเดียวกันนั่นแหละก็เลยคิดร้ายแก่กันแล้กันพระโพธิสัตว์ก็กดทับน้องชายเอาไว้ด้วยนะด้วยความที่ตนเป็นผู้มีกำลังนะพี่ต้องชนะอีกแล้วนะกดน้องชายเนี่ยทับแล้วก็กลิ้งหินทับลงนะเอาหินต้นโตโตเนี่ยมาทับลงบนน้องน้องชายนั้นเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนะก็แปล ว, ว่าฆ่าน้องชายนั่นแหละ พระโพธิสัตว์นั้นได้เสวยทุกในนรกเป็นต้นหลายพันปีในอัตภาพหลังสุดนี้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตผู้เป็นพระมาตุลาของพระราหุลกุมารพระราหุลมีลุงใช่ไหมมีลุงคือพระเทวทัตมาตุลาก็คือลุงนะพระเทวทัตเนี่ยเป็นลุงของพระราหุลในชาติก่อนก็ได้เป็นพ่อค้ากับพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นเป็นพ่อค้าชื่อว่าเสริพาณิช พ่อค้าทั้งสองนั้นเป็นไปถึงปัตตนาคามอันตั้งอยู่ใกล้ท่าแห่งหนึ่งจึงตกลงกันว่าท่านจงถือเอาถนนสายหนึ่งแม้เราก็จะถือเอาถนนสายหนึ่งแล้วทั้งสองคนก็เข้าไปใกล้บ้านสองซอยนะแกไปค้าขายซอยนี้กัแล้วกันเดี๋ยวฉันไปค้าขายซอยนี้ทั้งคู่เขาเป็นพ่อค้าทองกันทั้งคู่คือถ้าถ้าเป็นสมัยโบราณนะเขจะมีพ่อค้าทองแบบหาบเรยไปะ ทีนี้ในบรรดาคนทั้งสองคนนั้นในถนนสายที่พระเทวทัศน์เข้าไปได้มีคนสองคนเท่านั้นคือภรรยาเศรษฐภรยาของเศรษฐีเก่าคนหนึ่งหลานสาวคนหนึ่งทีนี้ก็มีถาดทองใบใหญ่ของคนทั้งสองนั้นถูกสนิมจับเป็นของที่เขาวางปนไว้ระหว่างภาชนะเป็นของเก่าๆนะทีนี้สนิมมันจับหมดจนไม่รู้ว่าเป็นทองหรือเป็นอะไร ภรรยาของเศรษฐีเก่านั้นไม่รู้ว่าเป็นภาชนะทองจึงกล่าวกับท่านพระเทวทัตนั้นว่าท่านจงเอาถาดใบนี้ไปแล้วจงให้เครื่องประดับมาพระเทวทัตนั้นก็เลยจับถาดใบนั้นเอาเข็มขีดดูก็รู้ว่าเป็นถาดทองยกน้ําหนักนะสงสัยก็เลยขีดดูก็เลยรู้ว่าทองก็เลยคิดว่าเราจะให้นิดหน่อยและจะถือเอาไปจึงเอานะก็เลยเฉยคือวางแผนว่าจะให้ของไป น, น้อยๆอะ่ะจะเอาถาดใบนั้นไปก็เหมือนกับเอาฟรีอะ่ะ นี่สายที่โกงก็เข้ามาในใจเลยทีนี้ลําดับนั้นหลานสาวเห็นพระโพธิสัตว์มาอย่างที่ใกล้ประตูก็กล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าขอท่านจงให้เครื่องประดับฉัตรปุตะปตะแก่ดิฉันภรรยาเศรษฐีเท่านั้นจึงให้เรียกพระโพธิสัตว์นั้นมาแล้วให้นั่งลงแล้วก็ให้ภาชนะนั้นก็กล่าวว่าท่านจงถือเอาภาชนะนี้แล้วจงให้เครื่องประดับกัดฉตรปุตะ แกหลานสาวของข้าพเจ้าพระภูธิสัตว์นั้นก็จับภาชนะนั้นก็รู้ว่าเป็นภาชนะทองและรู้ว่านางถูกประเทวทัตนั้นลวงนะรู้ว่าพอค้านั้นลวงและต้องการจะมาเอาแบบทุกๆูกอ่ะจึงเก็บแปดกระหาปณ ะ, ะเอาไว้ในถุงเพื่อตนและให้สินค้าที่เหลือให้เครื่องประดับชื่อว่ากัฉาประตุที่มือของนางกุมาริกาแล้วก็ไป ฝ่ายพ่อค้าอีกคนหนึ่งก็ห้วนกลับมาถามอีกภรรยาเศรษฐีนั้นก็กล่าววันนี้ในพ่อท่านไม่เอาบุตรของเราได้ให้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็ถือเอาถาดใบนั้นไปเสียแล้วพ่อค้านั้นพอได้ฟังอย่างนั้นก็มีหั่ไทยเหมือนจะแตกออกไปแค้นมากเลยนะพระเทวทัตเนี่ยพอฟังข่าวว่าเพื่อนเนี่ยแลกเอาไปแล้วเนี่ยครับมันหักหน้ากันจะทับเลยโกรธมากจึงวิ่งติดตามไป พอโพ ธ, ธิสัตว์นี่ก็ขึ้นเรือเล่นไปแล้วพ่อค้านั้นก็กล่าวว่ายุดอย่านี้อย่านี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าเราพึงสามารถทําให้มันชิบหายในภพที่เกิดแล้วเกิดแล้วอาฆาตได้เลยนะเรียกว่าเจ้าเวนเหมือนนผูกเวนทันทีเลยตั้งจิตไว้ผิดเลยนะน เ, นยเกิดชาติไหนขอให้มีโอกาสทําร้ายไอ้คนนี้ให้ได้ที่ดูนะพระเทวทัตทําร้ายพระโูธิสัตว์เนี่ยหลายชาติเมื่อวานอ่านเรื่องมหากปิชาดก หมากปิกะปิ่นแปลว่าลิงนะขนาพระโพธิสัตว์เนี่ยช่วยช่วยให้พ้นจากเหวพอพ้นเหวขึ้นมาก็เอาหินเนี่ยทุบหัวนะหลายเรื่องนะบางทีบางชาติเนี่ยเกิดเป็นลูกเกิดเป็นลูกก็สั่งให้ตัดเลยเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องเมตตานะจะตอนนั้นจะเอาเรื่องของพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธสายพระโพธิสัตว์ไล่ล่าอย่างด้วยกันอันก็มาจากแรงอธิษฐานอันนี้นั่นแหละนะ คนอธิษฐานในแง่ดีก็ให้ผลดีนะถ้าอธิษฐานไว้อย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไงก็จะเป็นไปอย่างนั้นแหละด้วยอํานาจความปรารถนาพ่อค้านั้นก็เบียดเบียนกันและการหลายแสนชาติไม่จะ ช, ชาติเดียวในอัตภาพนี้บังเกิดในสากยตกูลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุสัพพัญยุตยานแล้วประทับอยู่ในกรุงราชครึกโดยลําดับได้ไปยังสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเจ้าอนุรุตธ h เป็นต้นแล้วก็บวช บวชแล้วก็เป็นผู้ได้ฌานนะพระเทวทัศนเนี่ยบวชไม่นานนะได้ฌานทีนี้ท่ทานยกมาแพ่ฌานที่จริงแล้วท่านได้อย่างอื่นด้วยท่านได้อภินยาห้าสมาบัตร8แล้วก็ทรงพระไตรปิฎกเก่งมากนะพระเทวทัตนทีนี้หลังจากนั้นมาแกก็ทูลขอพรที่พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ทั้งปวงจงสมาทานทุดงสิบา มีเที่ยวบินธบัตเป็นวัดเป็นต้นพระเทวทัตเนี่ยไปขอให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยสมาทานทุดงให้หมดเลยไม่ให้ให้อยู่โคนไม้ให้บินธบัตเป็นวัดฉันไม่ให้ฉันปลาฉันเนื้ออย่างเงี้ยให้ให้สั่งออกมาเป็นพระวินัยบัญญัติมาเลยพระองค์ก็ไม่อนุญาตทีนี้ภิกษุแล้วก็บอกว่าภิกษุสงฆ์ทั้งสิ้นจงเป็นภาระของข้าพระองค์ไปขอบริหารภิกษุสงฆ์เอง พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตแล้วก็พระองค์พระเทวทัตก็เลยผูกเวรจึงเสื่อมจาบชานด้วยต้องการจับลงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้วันหนึ่งก็ยืนขึ้นบนยืนอยู่เบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชิงเขาเวภาระหรือเขาขิจกรนะนะแล้วก็กลิ้งยอดนะกลิ้งยอดเขาลงมา พระเทวทัตเนี่ยมีกําลังเท่ากับช้างหลายเชือกสามารถผลักหินก้อนโตๆเนี่ยลงไปได้เลยด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้ายอดเขายอดอื่นก็รับเอายอดเขานั้นที่กําลังตกลงมาสเก็ตหินที่ตั้งขึ้นพราะยอดเขาเหล่านั้นกระทบกันปลิวมากระทบหลังพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามเมื่อชาติก่อนเราฆ่าน้องชายต่างมารดา เพราะเหตุแห่งทรัพย์เรานี่ใสลงในซอกหินและบทขยี้ด้วยหินนะเอาน้องชายใส่ไปในเหลือหินก็ผลักหินเนี่ยกดทับน้องให้ตายไปเลยเพราะวิบากของกรรมนั้นพระเทวทัตจึงกลิ้งหินก้อนหินบทขยี้นิ้วหัวแม่เท้าของเราไปคิดนะอกุศลที่ทําไปมันจะไม่ให้ผลทํามันให้ผลนะมันขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะยังมีคนตามจองล่างจองผลาญอยู่นั่นแหละ ที่จริง ถ, รถ้าพระองค์ไม่ทำอภุศลไว้นะพระเทวทัพถึงจะผูกเวรอย่างไรก็ทำลายพระองค์ไม่ได้แต่ทีนี้ว่าคนละกรรมกันใช่ไหมพระเทวทัพเป็นคู่เวรที่พระเทวทัพทำลายได้เพราะอดีตชาติไปทำความชั่วอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ก็มาประจวบกันเข้าคือตอนที่ซื้อถาดทองคำานี่นะเจ้พาพระภูยภาคก็ ก็ไม่มีจิตเจตนาที่จะไปแกล้งพระเทวทัตเลยไม่มีเมื่อไม่มีนะฮะเมื่อไม่มีเนี่ยนะฮะแล้วก็มาได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องผลของกรรมเนี่ยแล้วเราจะมาเข้าใจว่าเอ๊ะพระองค์ทรงมีอได้รับบาดเจ็บใช่ไหมฮะเพราะพระเทวทัตเพราะพระเทวทัตเนี่ยนะเอ๊ะนี่ไม่ยุติธรรมเลยพเพรา ะ, ะเรื่องกรรมทั้งหลายนี่นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเลยนะเราจะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลมันเนี่ยผิดไปแท้ที่จริงแล้ว เป็นผลของกรรมของพระองค์เองเจนพรดูไหมฮะเป็นผลกรรมถ้าหาว่าพระองค์ไม่มีไม่ได้ทําไว้นะฮะทายังไงยังไงพระเทวทัก็ไม่มีทางก็ทําอะไรพระองค์ไม่ทําอะไรไม่ได้เจนพรแล้วก็ทําไม่ได้จริงๆมานานกันเจนพรใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าที่ถูกทาได้ก็เพราะว่าเหตุที่พระองค์ทําไว้นั่นเองประจบกันเข้าอ่นะเท่าว่าคู่เวรมีอากุศลตัวเองก็มีก็ประจบกันเข้าพอดีเลยอืมอันนี้น่าสนใจฮะนะ เพราะว่าผลของกรรมเนี่ยนะผลของกรรมกรรมเราแก้ไม่ได้นะกรรมที่เราทำไว้แก้ไม่ได้นะหมดสิตหมดสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขเพราะว่าได้ทำไปแล้วสำเร็จไปแล้วสาเร็จไปแล้วนะครับแต่ผลของกรรมนั้นเรายังมีโอกาสแก้ไขได้นะแก้ไขได้นะแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะมีปัญญามีความรู้ในเรื่องในเรื่องแก้ไขอย่างไรนะยิ่งถ้าเรามาเรียนอย่างนี้น ะ, ะเราจะรู้เลยว่า ผลของกรรมนั้นเราแก้ด้วยประโยชค่ประโยค่สมบัติเราแก้ได้แก้นั้นมีนั่นหมายความว่าไปลบล้ามันหมดไปเลยนะอาจจะแก้แล้วมันหนักเป็นเบาหรือว่าผัดพรอนไปก่อนได้นะด้วยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนที่เป็นโรคร้ายเนี่ยถ้าหากว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งสมมุติเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่คิดแก้ไขอะไรเลยเนี่ยนะเรารู้เลยว่า ผลของกรรมที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยนะยากที่จะไปแก้ไขนะเรารู้ละสุดท้ายจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าว่าเรามีประโยค์คะดีนะเราดิ้นลนแก้ไขนะเราจะแก้ได้นะแก้ได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประโยค์คะของเราด้วยนะแล้วมีหลายรายทีเดียวที่แก้แก้สำเร็จนะอยู่กระทั่งมีชีวิตอยู่กระทั่ง อ, อีกนานมากเลย นะเพราะท่านมีความเชื่อว่าอาหารนี่จะช่วยได้มากในเรื่องการรักษาโรคในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันนะท่านบอกว่าท่านเป็นนักชีวะเคมีนะครับท่านศึกษามาว่ า, าร่างกายของคนนี่นะครับมันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะถ้าอารมณ์ไม่ดีนะมันจะผลิตฮอร์โมนะอะไรมาไม่ดีหมดเลยแต่ถ้าหากว่าจิตใจดีนะ เมื่อจิตใจดีเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเขาได้ทดลองมาชัดเจนแล้วว่ามันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เองเลยนะครับผมก็บอกท่านบอกว่าท่านรู้ไหม น, ะนั่นน่ะหมายความว่าจิตตัชรูปแล้วครับนั่นน่ะถ้าจิตดีนะจิตตชรูปก็ดีนะเพราะผมมีความสนใจมากเลยในเรื่องประโยคะนี่นะฮะไบโยคะเนี่ยนะฮะจะช่วยได้หลายอย่างเลยนะแม้ว่าท่านเกิดมาแล้วนี่นะครับในการละสมบัติ ในกาลาวิบัติถ้าเกิดในสมัยที่เป็นกาลาวิบัติเนี่ยนะครับประโยคน์้นี่ก็จะช่วยได้ถ้าท่านรู้วิธีนะครับเพราะว่ากรรมจะให้ผลเนี่ยนะกรรมบางอย่างให้ผลตอนกลางคืนนะกรรมบางอย่างให้ผลกลางวันนะท่านบอกจริงไหมเจียนพรนะชกรรมบางอย่างให้ผลกลางคืนนะกรรมบางอย่างให้ให้ผลตอนฝนใกล้จะตกนี่ตัวอย่างนี่น่าคิดไหมนี่นะกรรมบางอย่างให้ผลเนี่ยนะแล้วแต่กาลละ การละอะไรนะครับถ้าเรารู้นะเราประโยคะเนี่ยเราแก้ไขมาเบาบางได้นะครับหรือว่ า, าถ้าเป็นคติสมบัติหรือคติวิบัตินะครับคติสมบัติคติวิบัติเนี่ยหมายความว่าท่านไปเกิดละตำแหน่งใดเราไม่ทำไมพูดว่าเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยเพราะว่ายกตัวอย่างนี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมเอาเป็นว่าคติสมบัติหรือคติวิบัติเนี่ยมันไปเกิดในแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละ ณตำแหน่งนั้นเนี่ยย่อมเป็นโอกาสให้ผลของกรรมดีและกรรมชั่วให้ผลได้บางแห่งนั้นกรรมชั่วให้ผลบางแห่งนั้นกรรมดีให้ผลเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนี่นะเราเอาประโยคะเข้าไปแก้นะครับเราพอแก้ได้นะหรือแม้แต่อุปธิของเราเนี่ยเกิดมาเป็นร่างกายอย่างนี้เนี่ยนะครับเกิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยแก้ได้นะครับเจ้าพ่อ